บุยี่สิบเอ็ดอรโยคิการสนทนาสองจินนสัมภานาเรนดูคุณมาจากไหนคะมีรูกระดีวัชารูมาจากบาเซลค่ะเบเซลนุนดี บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เบเซลสวิตเซอร์แลนด์โลุ่นดี Basil, ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะเนนุสรีมุลเลอร์การนิมีคุปริเชน่นชายาลันกุฎุนานุเขาเป็นคนต่างชาติอายนะวีเดซีหรเขาพูดได้หลายภาษา อายนะยังโนโภาษาเรามาตลอดตัรูคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะมีรืออ่อ ก, กะดีกี่โมเดลทสาริวัจจาระไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะเลดูเนี่ยนกรีนเด็กสมรสเริ ม, รมบอกกษาริวัจจานุแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นคะ่คนะกนีววรโรต คุณชอบที่นี่ไหมคะมีกุยกระนัตชินดาคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากคะ่ะจ้าละมันชลูจาละมันจิกานนารุและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยคะ่ะอาลาเกออีกประเด็นสมุนากนัตชินดีคุณทํางานอะไรคะ มีเรียนเชิตรงตารุดิฉันเป็นนักแปลนนูอนุวาตะกุดุนิอนุวาต ก, กุราเลนีดิฉันแปลหนังสือนนูปุสตกาลนี่อนุวดิสตานุคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะมีรีกระดวันเทริกงกันหรือไระไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะเลดูนาบารียานาบัรตาอีกเดอุนารุและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันมาเยุอ้อยดรุนาิลเลลุ